ข้าหนูทดลองถามกำลังเรียนปริญญาโทด้านเคมีอินทรีย์และทำวิจัยเรื่องการแยกสารจากพืชสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในการรักษาโรคงานที่ทำคือนำสารซึ่งแยกได้ไปทดสอบในหนูทดลองเพื่อดูผลการออกฤทธิ์ของสารตามกระบวนการนั้นเมื่อทดสอบเสร็จ ก็ต้องฆ่าหนูทุกตัวทิ้งอยากทราบว่าผิดศีลข้อปานตาิบาศหรือเปล่าถ้ามีหน้าที่เพียงแยกสารแล้วส่งต่อให้หน่วยอื่นเป็นผู้ดำเนินการทดสอบและหากจะมีมลทินอยู่บ้างควรแก้ไขอย่างไรตอบฟังดูแล้วคุณไม่ได้มีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจ 1. เจตนาฆ่าเพียงขาดประทานข้อนี้ไปก็ไม่ถือว่าทำปานาติบาตแน่แล้ว 2. การลงมือฆ่าขาดการประพฤติทางกายก็ย้ำให้เห็นว่าไม่ใช่ปานาติบาตชัดเจนขึ้น 3. ความยินดีในการฆ่าขาดความยินดีก็ไม่แม้จะได้ชื่อว่าทำกรรม ไม่เจตนาให้เป็นเช่นนั้นซึ่งมีชื่อเฉพาะเรียกว่ากระตัดตากรรมคุณเพียงรู้สึกอยู่ในใจว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ผลสุดท้ายลงเอยเป็นปานาติบาตซึ่งเพียงความรู้สึกอยู่ในใจเช่นนั้นก็อาจก่อให้เกิดความกังวลซึ่งออกฤทธิ์ให้ใจมัวหมองเล็กๆน้อยๆแบบถี่บ่อยได้ หากจะให้เหลือมวทินน้อยที่สุดก็คือตั้งความคิดไว้ว่าเราทำหน้าที่ผลิตสารเราไม่ได้ตั้งต้นเป็นผู้อยากรู้ผลลัพธ์ว่าจะทำให้หนูทรมานอย่างไรรวมทั้งไม่ได้เป็นคนบงการหรือกำหนดว่าหนูทุกตัวจะต้องถูกฆ่าเมื่อเห็นตามจริงว่าเราไม่ได้มีการแบบเพชฌฆาตอยู่คุณคงสบายใจขึ้น แต่เพื่อความสบายใจถึงที่สุดก็ทําบุญอุทิศให้หนูทุกตัวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพ้นจากวงจร น, นี้ก็แล้วกันไม่ต้องคิดว่ามันจะได้รับหรือไม่ได้รับผลบุญที่อุทิศไปหรอกขอให้ถือเป็นการแผ่เมตตาอย่างเป็นรูปธรรมทําบ่อยๆแล้วโล่งอกทําแต่ละทีอธิษฐานไปด้วยว่าขออย่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับวงจปรปาณาติบาตเลย การลงลึกมาถึงกรรมในระดับความคิดเนี่ยละครับดีที่สุดเท่าที่คุณจะเคลียร์ตัวเองจากมุนทินแล้ว